พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมเราจึงมีความแตกต่างกันทำไมบางคนรวยบางคนจนบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนมีร่างกายที่ครบด้วยอาการสาสบสอง บางคนพิกลพิการหูหนวกตาบอดทำไมบางคนถึงฉลาดทำไมบางคนถึ ง, งโง่ทำไมบางคนถึงดีบางคนทำไมไม่ดีบางคนทำไมรวยบางคนทำไมจนบางคนทำไมมี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนมีอายุสั้นความแตกต่างเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเกิดจากบุญบรารมีที่เราสะสมกันมาในอดีตชาติจิตใจของพวกเรานี่ ในอดีตก็คอยเป็นมนุษย์อย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันและขณะที่เราเป็นมนุษย์กันบางทีเราก็ทำบุญกันสร้างบารมีกันบางทีเราก็ไม่ทำบุญไม่สร้างบารมีกันการทำบุญการสร้างบารมีที่ไม่เท่ากันนี่แหละที่ทำให้พวกเรามาเกิด ไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้เรามีความสุขมากมีความเจริญมากไม่ว่าในทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าทางรูปร่างหน้าตาไม่ว่าทางอายุทางสุขภาพ ทางความรู้ความฉลาดเราสามารถทำได้ถ้าเราสร้างบุญบารมีกันดังนั้นเราต้องรู้เรื่องของบุญบารมีและรู้เรื่องของผลของบุญบารมีว่ามันต้องใช้เวลาใช้เวลาสร้าง และใช้เวลาให้มันออกดอกออกผลไม่ใช่ทำวันนี้แล้วจะเกิดขึ้นมาทันทีเหมือนคนสมัยนี้ใจร้อนอยากรวยก็เลยตอนวันออกหวยก็รีบทำบุญกันตอนเช้าใส่บาทกันเผื่อตอนเย็นแทงหวยจะได้ถูกรัตตรี่กันถูขวยกันสร้างบุญบรารรีแบบนี้ยัง เป็นผลไม่เกิดนอกจากถ้ามีบุญบรารมีเก่าอยู่แล้วพอดีถึงเวลาที่บุญบรารมีเก่าจะออกดอกออกผลพอตอนเช้าใส่บาตตอนเย็นแทงหวยก็ถูกหวยเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นกับทุกทุกคนเป็นกับเฉพาะบางคนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของ บุญบารามีของเขาจะส่งผลก็พอดีเขาเปิดช่องให้มันออกมาพอดีด้วยการไปแทงหวยก็เลยเกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องกรณีพิเศษไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วๆไปกิปที่เกี่ยวกับผลบุญบารามี ผลบุญบรารมีอาจจะทําทั้งชาติทั้งแล้วยังไม่ได้แสดงผลออกมาในชาตินี้แต่จะแสะดงผลต่อไปในชาติต่อไปเราก็ต้องใจเย็นๆเราต้องดูตัวอย่างของชาตินี้ของเราว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนอื่นเขาถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอดีตของเขากับอดีตของเรานั้นมันไม่เหมือนกัน เขาสร้างบุญบารมีมามากกว่าเราเขาย่อมมีความสุขความเจริญมากกว่าเราเราสร้างบุญบารมีน้อยกว่าเขาเราก็ต้องอมีความสุขความเจริญน้อยกว่าเขาไปเป็นธรรมดาแต่เราชาติห น, นี้เราสามารถทำให้ชาติของเรานี้ดีกว่าชาตินี้ได้ หรือถ้าเราทำได้อย่างเต็มร้อยเราอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเลยก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถทำกันได้เรื่องต่างๆที่เกิดกับเรานี้มันไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญมันไม่ได้เป็นเรื่องของใครมาดนบันดาลมาเสกมาเปล่าให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ สิ่งต่างๆที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเกิดจากการกระทําของเรานั่นเองเกิดจากการสร้างบุญบารมีมากหรือน้อยหรือไม่สร้างเลยมันก็เลยทําให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินบางคนนี้เป็นขอทานหาเช้ากินค่ำ ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยต้องหลบนอนตามคนตามใต้สะพานตามข้างถนนบางคนนี้ร่ำรวยมหาศาลมีเงินเป็นแสนล้านบางคนเป็นพระราชามหากรย์บางคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นประธานิบบดีเป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งเหล่านี้มันมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาเหตุก็คือบุญบา ร, รมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันนั่นเองบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างนี้มีอยู่สิบบารมีด้วยกันบา ร, รมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบา ร, รมี เมตตาบรารมีคือให้เรามีความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อทุกๆคนต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งกายทิพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเราได้พบปะกับเขาเราควรที่จะให้ส่งความปราฏิเนปรารถนาดีให้กับเขา ให้ความเมตตาด้วยการให้ความสุขต่อกันละกันข้อที่สองคือทานบารลีให้เราแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ให้เอาไปช่วยเหลือกันใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกันให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้เขามีความสุขมากข้อที่ 3, สามศีลบารมีให้เราละเว้นจากการเบียดเบียนกันอย่าไปกันแกล้งกันอย่าไปทำร้ายทำลายกันอย่าไปสร้างความเสียหายเดือบร้อนให้แก่กันและกันข้อที่สี่ให้เราสร้างในคข ม, มะบารมีกัน ในคำมะก็คือให้เราละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราให้มาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบกันข้อที่ห้าคืออุเบกขาบารมีก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ความสงบให้สักแต่ว่ารู้ ให้ใจวางเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพราะเป็นสภาพที่ให้ความสุขกับใจอย่างสูงสุดข้อที่หกให้เราเจริญปัญญาบารมีให้เราหาความรู้เพื่อที่เราจะได้ฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าบุญบารมี เป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นรู้เหตุต่างๆรู้ว่าเหตุอะไรทําให้ชีวิตเราต้องวุ่นวายใจรู้ว่าอะไรทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเรียกว่าปัญญาบาลามีแล้วก็ข้อที่เจก็คืออธิฐานบาลามีใครเรามีความการตั้งใจ ตั้งใจทําในสิ่งที่ดีคือตั้งใจสร้างบุญบารมีถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะไม่ได้สร้างกันเพราะเราจะไปทําอย่างอื่นแทนข้อที่แปดให้เรามีสัจจะความซื่อตรงซื่อสัตย์ความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงสัจจะแปลว่าความจริงใจ พูดอะไรคิดอะไรจะทำอะไรก็ต้องทำตามที่เราพูดตามที่เราคิดไว้สัญญากับใครว่าจะทำอะไรก็ต้องทำตามสัญญาเรียกว่าสัจจะบรารมีไม่โกหกหลอกลวงกันแล้วก็ให้มีวิริยะบรารมีความขยันหมั่นเพียรการจะสร้างบรารมีต่างๆเราต้องมีความขยันหมั่นเพียร ถ้าเราตั้งใจแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาตั้งใจก่อนต้องตั้งใจแล้วก็ต้องยิงใจไม่เปลี่ยนใจตั้งใจว่าจะสร้างบุญบารมีก็ก็จะทำเวลาถึงเวลาต้องทำต้องสร้างก็ต้องสร้างต้องสร้างด้วยความเพียร แล้วก็ต้องใช้ขันติบารมีเป็นผู้สนับสนุนเวลาที่มีความยากลำบากคือไม่ยอมแพ้อดทนสร้างไปเรื่อยๆยากหรือง่ายก็ไม่ยกธงขาวใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากในการสร้างบารมีต่างๆนี่คือบารมีสิบชนิดด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าท่งสอนให้พวกเราสร้างกันถ้าเราอยากจะให้อนาคตของชีวิตของพวกเรานี้ดีขึ้นไปตามลําดับดีจนถึงขั้นของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งสิบมาจึงทําให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานที่เป็นความสุขความเจริญที่สูงสุดของจิตใจที่มนุษย์อย่างพวกเรานี้สามารถก้าวไปสู่ความสุขความเจริญในระดับนั้นได้ถ้าเรามีบารมีทั้งสิประการดังนั้นเราต้องมา ศึกษาว่าบารมีต่างๆเหล่านี้ทําอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรบารมีที่เราจะต้องใช้ในการสร้างบารมีบารมีนี้แบ่งเป็นสองส่วนบารมีที่เราต้องสร้างเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมี เนคขมะบาลมีอเบคาบามีปัญญาบารมีนีปัญญานี่คือบามีหกชนิดที่เราต้องสร้างกันแล้วเครื่องมือที่เราจะใช้สร้างบารมีทั้งหกนี้ก็คืออธิฐานบารมีจัดจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมี นี่คือเครื่องมือเราต้องมีสี่บารามีนี้ถึงจะสร้างบารมีต่างๆได้บารมีที่เราต้องใช้สร้างบารมีข้อที่หนึ่งคืออธิษฐานบารมีเราต้องตั้งเป้าอธิษฐานไปว่าการตั้งเป้าการตั้งใจทำ ตั้งใจสร้างบารมีถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้สร้างกันเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะทำได้สาเร็จเราต้องตั้งใจก่อนว่าวันนี้เช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจวันนี้เราคงจะไม่ได้มาวัดกันเพราะเวลาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราก็จะไม่ได้เตรียมตัว ที่จะออกเดินทางมาวัดกันเราก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะไปไหนเพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรที่ไหนหรือถ้ามีคนอื่นมาชวนให้เราไปที่นั่นที่นี่เราก็อาจจะไปตามคำชวนตามคำเชิญของเขาก็ได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราจะมาวัดพอมีคน เชิญชวนให้เราไปที่นั่นที่นี่เราก็จะปฏิเสธเขาได้บอกว่าวันนี้ไปไม่ได้วันนี้ตั้งใจจะมาวัดนี่คือความสำคัญของอธิษฐานบารมีคือเป็นตัวที่จะเป็นตัวดึงเราเป็นหัวหน้าที่จะดึงให้เราไปสร้างบารมีกันเช่นถ้าเราตั้งอธิษฐานว่า ในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายเราจะสร้างบารมีต่างๆสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีเป็นต้นพอเรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างบารมีเหล่านี้พอถึงเวลาเราก็ไปสร้างกันเช่นทานบารมีใส่บาตรทุกวันใช่ไ บางคนใส่บาตรทุกวันทำไมเขาใส่บาตรทุกวันได้บางคนทำไมไม่ใส่บาตรทุกวันบางคนใส่เพียงแต่วันเกิดวันปีใหม่วันสำคัญทงางศาสนาแต่พอถึงแต่ทำไมไม่ใส่ทุกวันก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ทุกวันนั่นเองถ้าตั้งใจจะใส่บาตรทุกวันทำไมจะใส่ไม่ได้ถ้ามีเงินจะใส่ อันนี้อยู่ที่ความตั้งใจนั่นเองถ้าตั้งใจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ใส่บาตรทุกวันแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอาจจะมีอะไรมาขัดขวางก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นร้อยเปอร์เซนต์เราก็ต้องมีสัจจะบารมีถ้าเรามีสัจจะบารมีว่าเป็นตายอย่างไรเราก็ต้องใส่บาตรตามที่เราตั้งใจไว้ เพราะว่าบางวันเราอาจจะขี้เกียจเมื่อะะคืนนี้ไปเที่ยวกลับบ้านดึกไปหน่อยอไม่อยากจะตื่นเช้าก็เลยอาจจะขอเว้นสักวันหนึ่งไม่ทำทานไม่ใส่บาตรแต่ถ้ามีสัจบรรมมีว่าจะใส่บาตรทุกวันยกเว้นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเงินทองไม่มี อ, อันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะทาให้เรา ทำไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยเป็นอารมณ์เป็นความเกียดค้านขี้เกียจไม่อยากจะตื่นเช้าเกินไปอยากจะนอนใสายก็เลยขอยกเว้นการทําทานใส่บาตในวันนั้นถ้าเรามีสัจจะมันก็จะทําไม่ได้เพราะเราเป็นคนจริงใจเราสรญให้ทำนั่นสัญญากับใคร เราต้องทำเราต้องทำตามคำมั่นสัญญาเราไม่โกหกหลอกลวงเรียกว่ามีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วเราก็จะดันทุลังทำให้มันได้ทำให้มันสำเร็จได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ทรงปฏิบัติขั้นสุดท้ายตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานสองอย่าง อธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี้ไปจนกว่าจะสำเร็จจนกว่าจะบรรลุก็จนกว่าจะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่บรรลุจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดอันนี้เป็นความตั้งใจและเป็นสัจจะคือถ้าตั้งใจแล้วมีสัจจะจะไม่เปลี่ยนใจคาว่าสัจจะ ก, ก็คือไม่เปลี่ยนใจไม่โลเล ไม่เหมือนคนบางคนตั้งใจตอนเช้าตอนบ่ายก็ขอเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสัจจะพอตั้งสัจจะแล้วตั้งอธิษฐานแล้วตั้งสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะความอุสาหะวิริยะความมุทะลุดุ ด, ดันคือจะต้องทำสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ นี่คือวิระยะบารมีไม่ใช่ตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วพอถึงเวลาก็ไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะไปทําในสิ่งที่อยากจะทําขอนอนขอพักผ่อนอ้างว่าฝนตกบ้างอากาศหนาวเกินไปบ้างมีอุปสรรครถติดบ้างอะไรต่างๆถ้าเอาเหตุผลเหล่านี้มาอ้างก็จะทําให้ไม่สามารถไปทํา สิ่งที่ตั้งใจจะทำได้ถ้าเดินทางไปยางแตกก็เปลี่ยนใจไม่ไปถ้ายางแตกก็ต้องพยายามไปเปลี่ยนยางถ้าน้ำมันหมดก็ต้องไปห า, าน้ำมันมาเติมนี่คือความพยันหมั่นเพียรความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ถ้ามันยากลำบาก น้ำมันหมดอาจจะต้องเดินไปซื้อน้ำมันมาใส่ก็อาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าแต่มีขันติความอดทนก็พยายามบังคับให้ตนเองทำไปถ้ามีบารมีทั้งสี่ประการนี้แล้วการที่จะสร้างบารมีทั้งหกที่จะทำให้เรามีความแตกต่างกันนี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ อันนี้คือบารมีสี่ข้อที่เราจำเป็นจะต้องมีเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีต่างๆเราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจแน่วแน่มัน่นคงไม่โลเลไม่เปลี่ยนใจตั้งใจแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจยกเว้นกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทำไม่ได้จริงๆก็แล้วไป อย่างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะนั่งไปจนกว่าตัดสิรู้หรือไม่เช่นั้นก็ต้องให้ร่างกายนี้ตายไปเท่านั้นถึงจะหยุดภาวนาถึงจะหยุดปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ตายก็ยังจะปฏิบัติต่อไปถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนหนักเอาเบาสู้อ ขอให้ได้ทําตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นง่ายก็ทําไม่ง่ายก็ทํายากก็ทําลําบากก็ทํามีขันติถ้ามีความอดทนแล้วจะสู้กับความทุกข์ยากลําบากต่างๆได้นี่คือสี่บารมีที่เราต้องฝึกสร้างกันขึ้นมาฝึกลองหัดทําของง่ายไปก่อนตั้งตั้งอธิษฐานกับสิ่งที่ง่ายก่อน ทำอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้ง่ายเช่นทำทาบุญใส่บาตรเอ า, อาจจะไม่ใส่ทุกวันก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนก็ได้เพราะวันธรรมดาเราต้องไปทำงานทำการทำทานบารมีใส่บาตรก็ได้หรือบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้สมัยนี้ง่ายมีมือถือมีหมายเลข อยากจะบริจาคครั้งละสิบบาทยี่สิบบาทก็ทำไปร้อยบาทมากน้อยทาให้มันเป็นนิสัยดีกว่านานๆานานทำทีทำมันทุกวันแล้วมันจะเป็นนิสัยแล้วมันจะสะสมดีกว่านานๆทำทีเพราะเวลานานๆทำทีถ้าทำมากๆก็เสียดายเงินแต่ถ้าเราทำน้อยๆแต่ทำทุกวัน พอร้อยวันนี้มันก็จะพอทำไปร้อยครั้งหรือร้อยวันนี้มันก็จะเป็นจํานวนมากขึ้นมาเองแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายเงินทองเพราะเราบริจาคทีละ เ, เล็กทีละน้อยสะสมไปบวกไปเรื่อยๆก็ได้ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องมีกันต้องมีความตั้งใจเช่นถ้าเรา ต้องการเราเชื่อในเรื่องของบุญบา ร, รมีเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจะขอสร้างบา ร, รมีทั้งหกข้อเดยกันคือเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีโอเบขขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี่เหล่านี้เืออธิษฐานความตั้งใจ ตาตใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะพยายามสร้างลรวก็แล้วแต่เราว่าเราจะกำหนดวิธีสร้างของเรามากน้อยอย่างไรก็ดูกำลังของเราด้วยอย่าไปสร้างทำอะไรตั้งใจเกินกำลังเพราะว่าเดี๋ยวมันทาไม่ได้แล้วเราจะเสียสัจจะอย่าเสียสัจจะคิดให้ดีก่อนคิดว่าเราทำได้ไหมตามที่เราคิด ไม่เหมือนบางคนนี่เวลาไปบนบานขอของจากพระนี่ขอบวชสามเดือนขอได้แล้วนี่กลับมาถามว่าขอผ่อนส่งได้ไหมขอไปบวชที่ละเจ็ดวันได้ไหมอา้าวมันก็อยู่ที่คุณตั้งสัจจาว่าอยังไงเ่ะคุณตั้งศัจจ์ขอบวชสามเดือนแล้วตอนนี้คุณจะมาขอผ่อนส่งมันจะถูกหรือเปล่า ถ้าจะขอผ่อนส่งก็บอกไว้ตั้งแต่ตน้นเลยว่าจะขอบวชสามเดือนแต่จะขอผ่อนส่งทีละเจ็ดวันภายในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีก็ต้องบอกด้วยไม่งั้นบวชเจ็ดวันแต่ภายในเจ็ดปีผ่อนส่งที่ปีละเจ็ดวั น, นเมื่อไหรมันจะได้อันนี้อยู่ที่ว่าเรากำหนดเงื่อนไขต่างๆเราเป็นผู้กำหนดเองการตั้งสัจาะอธิษฐานนี้เป็นเป็น เป็นเป็นเรื่องการให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองถ้าเราต้องการให้มันมัดตัวเราแน่นเราก็ต้องตั้งแบบแน่นแน่นถ้าเราไม่ต้องการให้มันมัดตัวบังคับเราเราก็ตั้งแบบหลวมๆหลวมๆมันก็จะได้ผลน้อยกว่าแน่นๆ่นถ้าแน่นๆน่นนี้มันจะได้ผลมากผลเร็วกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่กําลังของเราว่าเราจะ มีกำลังที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรแต่เมื่อเรากำหนดแล้วเราต้องทำให้ได้เช่นทำทานจะทากี่ครั้งกี่วันทาเท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่อันนี้เราต้องกาหนดไปแล้วเราค่อยเพิ่มไปก็ได้เราเอาน้อยก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้มากเราก็เอาความ เอาน้อยเอาเท่าที่เรามั่นใจว่าเราทําได้ไปก่อนแล้วพอเราทําแล้วเราเห็นผลที่เกิดจากการสร้างบารมีเพราะผลที่เกิดจากการสร้างบารมีนี่เราจะได้สัมผัสกับมันด้วยในขณะที่เราสร้างเลยคือสัมผัสกับหนังตัวอย่างได้ได้ตัวอย่างของผลที่เกิดจากการสร้างบุญบารมีต่างๆจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น รูสึกมีความทุกข์น้อยลงอันนี้พอเราเห็นผลว่าสร้างบุญบรารมีนี่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นเราก็อาจจะมีความปรารถนามีความต้องการที่จะสร้างให้มากขึ้นเราก็ตั้งตั้งอธิษฐานใหม่เพิ่มเพิ่มการกระทาของเราให้มากขึ้นไปตามลาดับ นี่คือเรื่องของการเริ่มต้นสร้างบารมีต้องสร้างด้วยที่อธิษฐานบารมีกําหนดเป้าหมายกําหนดเงื่อนไขของการสร้างบารมีว่าจะสร้างมากสร้างน้อยสร้างเร็วหรือสร้างช้าได้สร้างทุกวันหรือสร้างอาทิตย์ตะวันอันนี้ก็ทำให้ช้าหรือเร็วแล้วก็พอสร้างแล้ว พอตั้งใจแล้วเราก็ต้องใช้ความขยันเหมือนเพียรใช้ความอดทนทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นเราก็จะมาสร้างบารมีข้อที่หนึ่งก่อนคือเมตตาบารมีเพราะเมตตาบารมีนี้มันสิ่งที่เราทําได้ตลอดเวลาการสร้างเมตตาบารมีนี้สร้างอย่างไร การสร้างเมตตาบารมีก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆด้วยการให้ข้าวของเงินทองก็ได้ด้วยการช่วยเหลื อ, อกันก็ได้ไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองก็ได้ใช้แรงกายของเราถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะให้เขาแต่เรามีกำลังเรามีเวลาว่างเราก็ อุทิตเวลาไปเป็นอาสาสมัครทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่เอาผลตอบแทนคือเงินทองก็ได้นี่คือการแผ่เมตตาการเจริญเมตตาการเจริญด้วยการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้เราไม่ได้แผ่เมตตาเรากำลัง สอนใจเราให้รู้ว่าการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรเอสเราสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุเราต้องแปลความหมายของบทอันนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรสัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงวิญญาณทั้งปวงนั่นเองดวงจิตที่ไม่มีร่างกายและดวงจิตที่มีร่างกาย เขาต้องการความเมตตาเหมือนกันเราต้องให้ความเมตตาด้วยการไม่จองเวรกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดต่อกันละกันทำให้เกิดความเสียหายผู้ที่มีความเสียหายถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็ต้องไม่จองเวรผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับเราเรียกว่าอเวลาโหนตุ อันนี้จะทำก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเราขับรถแล้วถูกคนอื่นเขาปาดหน้าหรืออะไรทำให้เราเสียหายหรือตกใจขึ้นมาเราอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาอาจจะนึกด่าในใจหรือบางทีไม่ด่าในใจกดตาไล่ว่าเขาอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอาเวลาโหนตุ ถ้ามีเวลาถ้ามีความเมตตาก็ช่างมันเถอะมันอยากจะรีบไปค่ายมันไปเออย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปโกรธมันเออันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่แผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์ตอนนี้ไม่มีใครรับไม่มีใครให้เราไม่ได้ให้อะไรใครแล้ว เ, เพียงแต่คิดไปในใจสวดไปในใจ อันนี้คิดไปในใจเพื่อเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมหน้าที่ของเราหน้าที่ของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันข้อที่หนึ่งก็เอาเวลาโหนตุเราต้องให้อภัยกับบุคคลที่เขาล่วงเกินเราบุคคลที่เขาทำสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับเราเราจะไม่เอาเรื่องเอาราวเขาพูดง่าย ไม่เพราะว่าถ้าไปเอาเรื่องเอาราวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเราจองเวรจองกรรมเราเขาก็จะกลับมาสร้างเวรมาทาร้ายเราใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเอาเรื่องเอาราวเขาเขาก็จะไม่มาเอาเรื่องเอาราวเราถึงแม้เขาจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนก็ช่างไปช่างมันเถิดบางทีเราอาจจะเป็นคนเริ่มต้นก็ได้เพราะบางทีเราทำอะไรเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อน แต่มันเป็นเหตุบังเอิญที่ทำไปแล้วทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะโกรธเราเป็นธรรมดาเขาก็จะจองเวรเราแต่ถ้าเขามีความเมตตาเขาก็จะให้อภัยเราไม่จองเวรเราเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่โกรธเขาถ้าเขาโกรธเราเขาไม่ให้อภัยเราเขาจองเวรเราเขามาทำร้ายเราเราก็จะต้องไปโกรธเขา แล้วเราก็จะกลับไปจองเวงเขาไปทำลายเขาอีกก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ น, นี่คืออเวลาโหนตุอย่าจองเวงกันให้อภัยกันอัปยาปชาโหตุสเปสตาอัปยาปชาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกัน อย่ากันแกล้งกันอย่าทำลายทำร้ายกันให้อยู่กันอย่างสันติสุขทำงานอะไรแข่งขันอะไรก็แข่งขันในในกรอบในกฎกติกาคืออย่าไปทำให้เขาต้องเสียหายเดือดร้อนอย่าไปกันแกล้งเขาบางคนทาร้ายคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆแต่มาทําธุรกิจแล้ว เขาเป็นคู่แข่งขันกับเราเรากลัวเขาจะแย่งเอาธุรกิจของเราไปเราก็เลยไปกั่นแกล้งเขาอาจจะไปทำทำลายทรัพย์สินของเขาหรือไปไปไปป้ายลายป้ายสีอะไรต่างๆที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรจะทำํำเราต้องอย่าเบียดเบียนกันอยู่กันอย่างสันติสุข ถ้ามีความผิดพลาดหรือมีความไม่เข้าใจกันก็คุยกันปรึกษากันถ้าเราทำผิดพลาดก็ขออภัยกันไปนี่คือเรื่องการไม่เบียดเบียนกันอัปบบยาปชาโหรติหตุอ น, นีคาหหนตุก็คือให้เรามีความปรารถนาในความสุขทางร่างกายและทางจิตใจขอให้เขามีความสุขทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาหรือไม่ได้ไปทำร้ายจิตใจเขานั่นเองแล้วก็สุดท้ายสุขีอัตนานปาริหารันตุขอให้เขามีความสุขมากๆวิธีที่จะให้เขามีความสุขมากๆเราก็ต้องส่งความสุขให้กับเขาเรียกว่าส่งสกสอสกสอแปล ว, ว่าส่งความสุขเวลาปีใหม่หรือวันเกิดนี่เราก็จะส่งของขวัญแล้วก็เขียนบัตรอสกสไป Happy birthday Happy n o ่น Happy New, Happy New Year คขว่า Happy ก็คือความสุขเนี่ยนี่คือวันเกิดเขาก็มีของขวัญเอาไปให้เขาอาวันปีใหม่ก็ส่งของขวัญไปอะไรทำนองนี้เรียกว่าการให้ความสุขกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขในใจเรา เราจะมีเพื่อนมากอันนี้สงของแผ่เมตตานี้มีอยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดชังเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนมีแต่ช่วยเขามีแต่ให้ความสุขกับเขาเราก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เราจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษนจะไม่มีใครคิดที่จะมารอบสังหารเราเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเขาโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วมีแต่ทําให้เขามีความสุข ก็จะไม่มีใครคิดที่จะมาสังหารเราด้วยการาวางยาพิษหรือ ด, ด้วยการใช้อาวุธต่างๆแล้วเราจะมีหน้าตาแจ่มใสผิวพรรณผ่องใสเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเวลาตายไปถ้ายังไม่ถึงพนิพพา น, านก็จะไปสู่สุคติชั้นต่างๆ ตามกําลังของบุญบารมีที่เราได้ทำเอาไว้นี่คืออนิสงค์คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการแผ่เมตตาจากการเจริญเมตตาบารมีเราได้รับผลตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ไม่ได้รอให้ตายไปอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย ถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายหน้าตามีผิวพันธ์ผ่องใสเบิกบานแจ่มใสอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราได้รับตายไปก็ได้ไปสู่สุคติตั้งแต่ชั้นเทพขึ้นไปไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลแล้วแต่กำลังของบรารมีชนิดอื่นที่เราจะมาสร้างต่อไปอันนี้คือข้อที่หนึ่ง เมตตาบารมีนี้เป็นเมตตาที่สำคัญเป็นตัวที่จะเปิดประตูให้เราได้ไปสร้างเมตตาไปสร้างบารมีอย่างอื่นถ้าเราไม่มีเมตตาบารมีนี้เราจะทำสร้างทานบารมีได้ยากถ้าเราไม่มีความเมตตาไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็ไม่อยากจะบริจาคเงินบริจาคทองช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเรามีความเมตตามีความสงสาร เห็นใคทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็จะยินดีที่จะแบ่งปันทําทานบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ที่เราสามารถเสียสละไปได้บริจาคได้ครับ เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราเอามาเปลี่ยนเป็นทานบา ร, รมีนี้ทานบา ร, รมีนี้เราเอาไปได้ทานบา ร, รมีนี่แหละที่ทำให้พวกเรามาเกิดรวยจนต่างกันก่อนที่สร้างทานบา ร, รมีมากเวลากลับมาเกิดก็จะรวยมากคนที่สร้างทานบา ร, รมีน้อยก็จะรวยน้อย ดูพระเวชสันดรเป็นตัวอย่างพระเวชสันดร น, นี้ท่านบอยจากเงินทองเข้าของมากพอตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์พอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกองเท่าภูเขามีปราสาทสามฤดูมีความสุข อย่างสูงสุดของที่มนุษย์จะสามารถสรรหาได้อันนี้เป็นอ น, นิสงส์เป็นผลที่เกิดจากการที่เราสร้างทานบารมีกันถ้าเราหวงเงินหวงทองไม่ทำบุญทำทานกันตายไปเงินทองก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเราไปอาจจะไปแบบยากจนไปเป็นขอทานไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะไปเป็น คนยากคนจนถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าทำบาปด้วยก็จะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือไปเป็นเปรตนี่คือทานบารมีขอให้เราพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไป เงินทองทั้งหลายที่เรามีอยู่ที่เป็นของเรานี้เราติดตัวไปไม่ได้พอเราตายนี่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ถ้าเราเอามาเปลี่ยนเป็นทานบา ร, รมีนี่เอาติดตัวไปได้เพราะทานบา ร, รมีนี้คือทรัพย์ภัยหน่อยเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนี่เราไม่เอาเงินไทยไปเพราะเงินไทยไปใช้เมือง น, นอกไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศที่เราจะไป เราไปประเทศอังกฤษเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินปอนด์เป็เงินยูโรถ้าเอาเงินไทยไปซื้อของไปจ่ายค่ารถค่าอาหารเขาบอก no thank you <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องไปเป็นขอทานข้างถนนขอเงินปอนด์ขอเงินยูโรเพื่อที่จะได้เอาเงินไปซื้ออาหารกินเนี่ยคือคนที่ไม่ทำบุญจะเป็นอย่างนี้เวลาตายไปจะไม่มีเงินติดตัวไป เอไม่มีเงินติดตัวไปก็จะไปเป็นเหมือนไปเหมือนขอทานถ้ามีเงินติดตัวไปก็ไปจองโรงแรมห้าดาวได้มีเงินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าบริการอะไรต่างๆอยากจะช้อปปิง้งซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ซื้อได้เพราะเรามีเงินติดตัวไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเงินไทยไปเป็นเงินต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศเราจะ ไม่มีเงินใช้ยันใดเวลาที่ร่างกายเราตายไปนี่ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราต้องไปอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้เขาใช้บุญบารมีเป็นเป็นเงินเป็นถ้าไม่มีบุญบารมีก็จะอยู่แบบยากจนถ้ามีบุญบารมีก็จะอยู่แบบเศรษฐีเป็นพวกเทวดานี่คือเรื่องของทานบารมี ที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราอนาคตของเรานี้ดีขึ้นไม่ทุกข์ยากลำบากเกิดมากรรมาเกิดกี่ชาติก็จะเกิดมารลิศรวยมากน้อยต่างต่างกันไปตามกำลังของทานที่เราทำทำมากก็รวยมากทำน้อยก็รวยน้อยอ น, นี่คือทานบา ร, รมี พอเราทำทานบารมีได้เราก็จะมีกำลังที่จะมาทำศีลบารมีมาสร้างศีลบารมีศีลก็คือการละเว้นจากการทำบาปละเว้นจากการเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองผู้ที่มีทานมีเมตตาบารมีจะรักษาศีลได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทานไม่มีเมตตาบารมี ผู้ที่ไม่มีเมตตาจะไม่สนใจว่าเวลาทําอะไรจะคนอื่นจะเดือดร้อนหรือไม่ผู้ที่ไม่ทําทานก็จะไม่คิดถึงความทุกข์ยากลําบากของผู้อื่นแต่ผู้ที่ทําทานผู้ที่มีเมตตานี้จะระมัดระวังเวลาจะทําอะไรนี้จะไม่ให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ฆ่าจะไม่รักทรัพย์ จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดโสดโกโหกหลอกลวงจะไม่ดื่มสุรายาเมาจะไม่เสพอบายามุกต่างๆเพราะเป็นเหตุที่จะทําให้ไปสู่ไปกระทําบาปต่อไปนั่นเองนี่คือศีลบารมีถ้าเรามีเมตตาบารมีเรามีทานบารมีเราก็จะสามารถสร้างศีลบารมีได้ อันที่สมของศีลบา ร, รมีก็คือตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ก็เหมือนโลกเรานี่มีคุกมีตารางเหมือนกันมีที่เขาจะไปจับผู้ที่ทำผิดไปลงโทษอบายก็คือที่ไปรับโทษของผู้ที่ทำบาปผู้ที่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นนั่นเอง ถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรลฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าอาสูตรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านารกนรกนี่ก็คือไฟไฟเผาจิตใจความกลัวก็ทําเผาความกลัวก็สร้างความทุกข์ให้กับใจความโลภ ก, ก็สร้างความทุกข์ให้กับใจอะก็ลเลยเกิดไปเกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆกันขึ้นอยู่ว่าทําบาปด้วยความหงลงหรือด้วยความโลภหรือความกลัวหรือความโกรธจะมีผลต่างกัน แต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะปิดประตูอบายได้ตายไปก็จะไม่ไปเกิดในอบายตายไปถ้าได้มีทมทานก็จะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วพอออกจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีนี่คือเรื่องของศีลบารมี พอเราสร้างศีลบารมีคือรักษาศีลห้าได้เราก็สามารถเพิ่มการรักษาศีลได้อีกสามข้อเรียกว่าศีลแปดการรักษาศีลแปนี้คือการเจริญเนคขมมะบารมีเนคขมมะแปลว่าการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเห็นพวกโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดเนี่ยถือศีลแปด ก็คือมาละเว้นไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารมากเกินไปไม่รับประทานตามความอยากไม่ใช้การรับประทานอาหารให้ความสุขกับใจรับประทานอาหารเพื่อดับความหิวของร่างกายไม่หาความสุขจากการดูการฟังการร้องลำทำเพลงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งหน้าแต่งตัว เสิมสวยครับงามทางร่างกายแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อให้ร่างกายไม่หิวก็พอแต่ไม่ต้องการรับประทานแบบให้เกิดความสุขความเพิ่มปิติกับการรับประทาน อันนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเอาเวลาที่จะไปหาความสุขกับการกินการนอนมาหาความสุขจากการมาฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ความสงบดีกว่าเออผู้ที่จะต้องการมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกัน เา oh, ถ้าไม่ถือศีลแปลถ้าไม่เจริญเนธธรรมบารมีจะไม่มีเวลามาสร้างความสงบที่เราเรียกว่าอุเบกขาบารมีความสงบนี้เกิดจากการที่จิตใจเข้าสู่ความความนิ่งความเป็นอุเบกขาอุเบกขาจะเกิดก็ต้องมีเวลามาควบคุมจิตใจมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเพื่อที่จะ หยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆอันนี้ต้องมีศีลแปดถ้าไม่มีศีลแปดก็เดี๋ยวก็ไปดูหนังกันละดูละครกันละเดี๋ยวก็ไปกินขนมกันเพราะถ้าไม่ถือศีลแปดนี่กินได้ตลอดเวลากินอาหารเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวยังมีขนมต่อยมีของหวานมีอะไรกินไปจนต้องถึงเวลานอนเลยก็จะไม่มีเวลามา ปฏิบัติมาเจริญอุเบกขาบารมีขั้นต่อไปพอรักษาพอเจริญเนคข ม, มะบารมีได้ก็จะมีเวลามีโอกาสที่จะได้มาสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีคือใจที่สงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการเราฝึกสมาธิฝึกสติ ถ้าเราใช้สติควบคุมความคิดความอยากต่างๆได้เวลานั่งแล้วทำให้ใจนิ่งสงบได้ก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นความสุขที่ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้า เพราะรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟและความสุขจากในคข ม, มะบาลเม่นี่เป็นความสุขที่ยื้ที่ที่ยาวนานกว่าที่อยู่กับใจได้นานกว่าและสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าสร้างเป็นแล้วสามารถที่จะรักษาให้มันอยู่ไปได้เรื่อยๆมีอยู่ได้ตลอดเวลา อันนี้เป็นเรื่องของอุเบกขาบารมีคือการฝึกสติฝึกให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้นิ่งสงบสักตวรรุเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วพอเราได้อุเบกขาบารมีแล้วเราก็มาเจริญปัญญาบารามีเป็นขั้นสุดท้ายเพราะเราจะใช้ปัญญาบารามีนี้ มารักษาอุเบกขาที่เราได้จากการนั่งสมาธิถ้าเราไม่มีปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็จะถูกความอยากมาทำลายอุเบกขาเพราะความอยากนี้มันไม่ได้ตายด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นเพียงแต่การกดความอยากเอาไว้หยุดความอยากไว้ชั่วคราวเหมือนหินทับยา วเวลาหินไปทับหญ้าหญ้าจะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกปั๊บเดี๋ยวหญ้าได้รับน้ํามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ฉันได้ความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็จะสงบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะมาทำลายความความสงบนั้นทันทีถ้าอยากจะให้ ความสงบนั้นอยู่ต่อไปก็ต้องทำลายความอยากเวลาอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปดูไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นต้องดื่มต้องกินก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราไม่สามารถหามาเติมได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ลองสังเกตดูเราเคยติดอะไรนี่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆติดบุหรี่ก็ต้องสูบอยู่เรื่อยๆถ้าขาดบุหรี่เมื่อไหร่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเคยเดื่มกาแฟอยู่เรื่อยๆพอขาดกาแฟขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเคยไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ไปเที่ยวก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ให้คิดอย่างนี้ด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากต่างๆมันจะทำให้เราติด ติดแล้วเราก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราทําไม่ได้เราก็จะทุกข์ขึ้นมาจักวันหนึ่งเราจะต้องทําตามความอยากไม่ได้เช่นเงินทองอาจจะไม่พอเงินหมดก็ไปไม่ได้หรือร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตอนแก่ตอนจะตายนี้ก็ไปไม่ได้ตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากที่เราคิดว่าจะให้ความสุขเรานี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวอันนี้จังชั่วคราวอนัตตาเราไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปมันก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญญาบา ร, รมีเป็นบา ร, รมีขั้นสุดท้าย ที่จะทำให้ใจของเรานี้ออกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เมื่อไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็พ้นไั่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือตัวความอยากนี้เองถ้าเรามีปัญญา เ, ออเรามีบรารมีต่างๆทนับสนุน เราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่คอยดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันได้พอเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะอยู่ที่ใจของเราก็จะกลายเป็นพระนิพพานขึ้นมานิพพานคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความอยากต่างๆไม่มีกิเล็ความโลภความโกรธความหลงมีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบนิ่ง เฉยตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะใจมีความสุขในตัวเองแล้วใจที่ยังไม่ไปไม่ถึงจุดนี้ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะยังไม่ได้ทําลายความอยากที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไป ยังมีความอยากยังมีความทุกข์อยู่ก็เลยต้องไปแก้ด้วยการไปเกิดไปหาสิ่งต่างๆมาดับความอยากมาทำตามความอยากแต่ทำเท่าไหร่ความอยากก็ไม่มีวันหมดไปความอยากจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่เราอยากก็ใช้ปัญญาใช้สมาธิมามาหยุดเหมือนอย่าไปทำตามเหมืนมันอยากจะทำเราก็ไม่ทำ ถ้าเรามีสมาธิใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่หวั่นไหวไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจเราจะสัน่นใจเราจะเครียดใจเราจะหงุดหงิดตมคาญใจจนถึงกับเราทนไม่ไหวเราก็เลยต้องยอมแพ้ไปทำตามความอยากแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบให้หายสั่นได้เมื่อใจไม่สัน่นไม่เครียดใจสงบ เราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากความอยากก็จะหมดไปในที่สุดนี่คือเรื่องของบารมีสิทธิประการด้วยกันที่ทำให้พวกเรามาเกิดแล้วมีความแตกต่างกันบางคนก็ทาทานได้บางคนก็ ท, ท า, ไ, าทไม่ได้บางคนรักษาศีลได้บางคนรักษาศีลไม่ได้บางคนไปบวชได้บางคนไปบวช ไ, ไ, ไม่ได้บางคน นั่งสมาธิได้แต่บางคนนั่งสมาธิไม่ได้บางคนใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆได้บางคนกำจัดความอยากต่างๆไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้สร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มานั่นเองสา่ก็ไม่สายจนเกินไปตอนนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนเราให้เราคอยสร้างบารมีกันไม่เหมือนสมัยที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราไม่รู้ว่าเราต้องสร้างบา ร, รมีอันไหนบ้างต้องสร้างอย่างไรตอนนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยบอกเราแล้วถ้าเราทําตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทําเราสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบในชาตินี้เลยคือเราสามารถไปถึงพระนิพพานภายในชาตินี้ได้เลยไม่ต้องรอไปสร้างกันเป็นแสนชาติเป็น เปนกับเพราะตอนนี้เรามีคนบอกวิธีสร้างบา ร, รมีเหล่านี้แล้วถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักวิธีที่สร้างบา ร, รมีได้อย่างถูกต้องและไม่รู้ว่าต้องสร้างบา ร, รมีในแบบไหนบ้างต้องค้นคว้าหาเอาเองซึ่งเจ้าจะก็ต้องใช้เวลามากและต้องเป็นคนฉลาดมากๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถเอ บำเพ็ญบา ร, รมีทั้งสิบนี้ได้อย่างถูกต้องที่จะส่งผลให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตอนนี้เราโชคดีมีพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระสงฆ์มาบอกให้เราสร้างบา ร, รมีเหล่านี้กันถ้าเราทําตามที่ท่านสอนให้เราสร้างกันภายในภายในชีวิตนี้ภายในชาตินี้เราสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานกันได้ ไปฉะนั้นแล้วพระสาวกทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายที่ไปถึงนิพพานในชาตินี้ก็เป็นพวกเหล่านี้แหละเป็นเหมือนพวกเรานี้แหละเป็นผู้ที่ไม่มีบารมีพอได้ยินได้ฟังคาสอนก็ไปปฏิบัติตามคาสอนกันพอปฏิบัติคำสอนแล้วบารมีต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ส่งจิตใจให้ไปอยู่ที่พระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปตามลําดับนับตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้เรามาตั้งจิตอธิษฐานกันตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มาสร้างบารมีต่างๆถ้าเราทําตามที่เราตั้งใจได้ไม่ช้าก็เร็วผลก็จะปรากฏขึ้นมา ความสำเร็จก็จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานางังอุปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัโ สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธัสพีติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตุหันตระโยสุขีธีคาโยโขภวะ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 ถ้าจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลามีไมโครโฟนถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้แต่อย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะหมดเวลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 283ดคนครับ YouTube 137สคนครับ วิทยลาลัยยี่สิบหกคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบสามคนครับรวมทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเก้าคนครับอาจารย์วันนี้ยอดตกหน่อยไอ้กระทิ่ง น, น, น, นะอา่าวันพรุ่งนี้เป็นงานาพระราชทานศพหลวงปู่เลลูกศิษย์หลงตามหาบัวเหมือนกันลูกศิษย์ผู้ใหญ่ มีคําถามก็เชิญถามได้คําถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณกิษดาพระโสดาบันที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ความเป็นพระโสดาบันจะหายไปไหมครับไม่หายหรอกถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องเป็นไปตลอดมีแต่จะขึ้นไม่มีลงจากโสดาบันก็จะมาปฏิบัติต่ตอให้เป็นสกิราคารี สกิรดาคาเมก็อนาคามีพระอรหันต์จะไม่ลงมาเหมือนทนที่จบปริญญาตรีแล้วจะไม่กลับมาเรียนที่ม .6 ใ ห, หม่อยจะขึ้นไปปริญญาโทคนจบโทก็จะขึ้นไปปริญญาเอกไม่กลับลงมาสู่ขั้นที่ต่ําแล้วแต่ถ้าเป็นปุตุชนไปเป็นเทวดานี้ยังถือว่าเป็นปุตุชนอยู่เป็นพรหมนี้ยังถือว่าเป็นปุตุชนอยู่ยังกลับมาเป็นมนุษย์ต่อ กลัมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปใหม่แต่ถ้าเป็นโสวดาบันแล้วก็จะไม่ลงมมีแต่จะขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์พอขั้นพระอรหันต์แล้วก็ถึงขั้นสูงสุดจบปริญญาเอกจบการศึกษาพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญาอาวิชชาที่ครอบงำจิตใจก็จะไม่ถูกหลอกให้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคําถามจากคุณสืบพงค่ะ ลมหายใจละเอียดแผ่วเบาพุทโธหายควรทำอย่างไรต่อดีครับก็ให้ดูเฉยๆดูความว่างไปดูว่าจิตเราคิดหรือไม่คิดก็อย่าให้มันคิดหยุดมันถ้าเรามีสติแล้วดูใจตอนนั้นเวลาเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็สั่งให้มันหยุดได้ไม่ต้องไปควานหาลมไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าลมหายแล้วเราจะตายหรือไม่ ไม่ไม่ตายลมมันละเอียดจนเราจับไม่ได้ก็ให้ดูความว่างไปอยู่กับความว่างไปแทนอย่าให้คิดคิดก็หยุดมันคำถามจากคุณสมศรีค่ะการชำระหนี้ส่งที่ถูกต้องควรทาอย่างไรเจ้าค ะ, ะเราเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายหนี้สิถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ต้องจ่าย คำว่านี่สงนี่เขาอาจจะพูดแบบเป็นคํารวมๆเช่นเราไปวัดเราไปใช้น้ําไฟของวัดนี้ก็ถือว่าเราเป็นนี่ของวัดละนี่สงนี่สงก็นี่ของวัดถ้าเราไม่อยากเป็นนี่เราก็จ่ายเบยจากค่าน้ําค่าไฟไปตามที่เราคิดว่าเราใช้น้ําไฟไปเท่าไหร่เราก็จ่ายไปเท่านั้นใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อยแต่ทางวัดไม่ได้ถือว่าเป็นนี่นะต้องเข้าใจก่อน อันนี้เป็นความคิดของญาติโยมเองญาติโยมไม่อยากจะไปรบกวนไม่อยากจะไปเบียดเวณทางวัดเพราะทางวัดไม่มีอาชีพไม่มีการหาเงินหาทองทุกอย่างนี้ได้มาด้วยการจ่ายหนี้สงของญาติโยมยญาติโยมก็เลยถือว่าเป็นหนี้ของวัดเวลามาใช้บริการสถานที่ของวัดมาพาักอยู่ปฏิบัติธรรมเจ็ดวันนี่ก็ต้องต้องใช้ค่าต้องจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าอะไร เพียงแต่ว่าทางวัดก็แบบว่าเปิดกว้างไม่บังคับให้จ่ายเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีฐานะการเงินการทองไม่เท่ากันต้องการให้คนจนคนรวยเข้าวัดได้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันคนที่มีฐานะที่จะช่วยได้ก็ควรที่จะช่วยเพราะสถานที่วัดเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากการเบอร์จากทรัพย์ของศรัทธาญาติโยมนี่เอง อยางนั้นก็เลยคิดไปในทางของภาษาญาติโยมว่าเป็นหนี้สงกันมาใช้บริการของวัดก็เลยเป็นหนี้แต่ทางวัดไม่ถือว่าเป็นหนี้เพราะถือว่าวันนี่ก็เป็นของญาติโยมญาติโยมเป็นคนสร้างขึ้นมาจึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเหมือนกับโรงแรมหรือตามสถานที่บริการต่างๆเพราะว่านี่เป็นสมบัติของทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องมาช่วยทํานุบำรุง ถ้าอยากจะให้สมบัตินี้อยู่ไปนานๆถ้าทุกคนมาแต่ใช้บริการไม่มีการอจ่ายค่าบริการต่อไปมันก็จะต้องชำรุดทดรุดโทรมแล้วมันก็จะต้องหมดไปเออเรียกว่าเป็นหนี้สงกันมาวัดก็ถือว่าเป็นหนี้สงงั้นอยากจะจ่ายหนี้สงก็พิจารณาดูว่าเราใช้อะไรของสงไปบ้างก็แล้วกันเออคําถามจากคุณพีโกค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ช่วยวิขอวิธีปรับความคิดให้เข้าใจว่าความอยากเป็นบ่อกเกิดชาติภพไม่สิ้นสุดครับก็ดูสิพอมันอยากแล้วมันหยุดที่ไหนนะพอมันอยากมันก็อยากต่อไปอยากสูบบุหรี่มันก็สูบไปเรื่อยๆถ้าอยากจะหยุดสูบบุหรี่ก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากพอเราฝืนความอยากได้ไปสักครั้งพัก สักไม่กี่ครั้งความอยากสูบบุหรี่มันก็หมดกำลังไปมันก็จะไม่มากดดันให้เราไปสูบบุหรี่ถ้าเรายังสูบบุหรี่อยู่พอตายไปเราก็อยากจะไปสูบบุหรี่ใหม่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เราก็เลยต้องไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการสูบบุหรี่การดืม่มสุราการเที่ยวการกินการดื่มอยู่นั่นเองถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้คำถามจากคุณศักชัยค่ะกระผมทำบุญใส่บาตรทุกเช้าติดต่อมาสองปีกว่าแล้วครับโดยไม่ได้ตั้งสัจจะอะไรใส่บาตรเพื่ออุทิศให้พ่อและแม่และในหลวงรัชกาลที่9้าและผู้มีพระคุณแรกๆกไม่รู้สึกอะไรแต่หลังๆนี้รู้สึกอิ่มใจมากๆทุกครั้งที่ได้ทำบุญใส่บาตร เป็นเพราะอะไรครับก็ผลของบุญเป็นอย่างนั้นไงทาไปแล้วบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของใจนี่เองยิ่งทํามากขึ้นไปเท่าไหร่จะเกิดความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจมากขึ้นไปตามลําดับจะเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้เงินก้อนเดียวกันกับการไปทเที่ยวกับการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับการทําบุญว่าเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกัน การใช้เงินไปเที่ยวมันไม่ได้ทำให้อิ่มมันกลับทำให้หิวทำให้อยากเที่ยวมากขึ้นแต่การใช้เงินกับการทำบุญจะทำให้อิ่มจะไม่รู้จยากไม่จะไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไปทําอะไรอันนี้ก็เลยทําให้เราเกิดความพอใจยินดีที่จะทําบุญไปบางทีเราไม่ต้องตั้งสัจจะก็ได้ถ้าเราถ้าเราสามารถทำได้ก็ไม่ต้องตั้งสัจจะก็ได้ แต่ถ้าเราชอบล้มเหลวอยู่เรื่อยๆทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วเราก็า จ, จะต้องใช้สัจจะมาบังคับให้เราทำทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอคำถามจากคุณจีราปฏิบัติไม่คืบหน้าควรปรับใจอย่างไรไม่ให้ท้อคะก็ไม่มีอธิษฐานไม่มีสัจจะทำแบบตามอารมณ์วันไหนมีอารมณ์จะทำก็ทำวันไหนไม่มีอารมณ์ท้อก็ไม่ทำ ต้องคิดว่าเหมือนกับการกินข้าวกินข้าวถึงเวลามีอารมณ์กินไม่กินก็ต้องกินเพราะรู้ว่ากินมันดีกว่าไม่กินถึงแม้จะไม่มีอารมณ์กินกินถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยแต่กินยังเข้าไปอย่างน้อยมันจะได้ไม่หิวแต่ถ้าไม่กินเดี๋ยวหิวเดี๋ยวจะเดือดร้อนได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจของเราให้ความสุขกับตัวเรา ถึงแม้เราจะไม่มีอารมณ์ที่จะปฏิบัติเราก็บอกเพื่อความสุขของใจที่เราจะได้เพื่อจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องฝืนบังคับใจเราให้ทำไปให้ปฏิบัติไปต่อไปเราก็จะทำได้อย่างสม่าเสมออย่าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามรู้สึกเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันอารมณ์ดีขยันโน้นปฏิบัติใหญ่เลยเพราะวันไหนขี้เกียจก็ไม่ปฏิบัติเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับกระต่ายม กระต่ายอย่าไปเหมือนกับกระต่ายให้เหมือนกับเต่ากระต่ายมันทำตามอารมณ์มันอยากจะทำมันอยากจะวิ่งมันก็วิ่งมันถือว่าอ้ยมันชนะแน่ๆแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเต่าแต่พอมันเผลอไปมันไม่วิ่งสักพักหนึ่งไปเห็นเต่าโอ้ยอยู่วิ่งไปไม่ทันมันแล้วยงขอให้เราปฏิบัติแบบเต่าแบบไม่หยุดไม่หย่อนแบบสม่าเสมออย่าปฏิบัติแบบกระต่าย คำถามจากคุณปุ๊แรงศรัทธาอยากขอคำแนะนำในการนั่งสมาธิเบื้องต้นอยากเริ่มปฏิบัติครับก็ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติบ่อยๆทั้งวันทั้งคืนเราฝึกสติได้ตลอดเวลาคือการหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการเฝ้าดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ให้อยู่กับร่างกายทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหว อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่กำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าห ว, วีผมก็ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่าคิดถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะสงบง่ายพอเรานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธเราถ้าเราอยากจะใช้พุทโธเราก็พุทโธต่อไปนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธ อย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งจะคันตรงนั้นจะเจ็บตรงนี้น้ำลายจะไหลหรืออะไรก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราจะใช้ลมหายใจเขาออ้าก็ดูที่ลมที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็ะ ก, ก็เข้าตรงปลายจมูกเวลาออกก็ออกที่ปลายจมูกให้ดูอยู่ตรงนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น แล้วใจก็จะค่อยๆสงลบลงไปทีละเล็กทีละน้อย yeah. คำถามจาก YouTube ค่ะจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วเคยได้ยินว่าทำบุญกะถินได้บุญมากเพราะเป็นบุญที่จากัดด้วยการเวลาแต่โยมเข้าใจว่าการทำบุญที่ได้อนิสง์มากสามารถทำได้ทุกวันด้วยปัจจัยสี่ที่พระสงฆ์ขาดบุญได้เท่ากันถ้าเสียเงินเท่ากัน ไม่ทราบเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะถูกแล้วบุญเกิดจากการบริจาคไม่ได้เกิดจากว่าบริจากเพื่อเอาไปใช้กับอะไรบริจากมากก็ได้บุญมากบริจาคน้อยก็ได้เงินน้อยส่วนเงินที่เราไปบริจาคก็เอาไปใช้อะไรนี้ก็อยู่ที่ได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยถ้าเอาไปใช้กับสิ่งที่ขาดแคลนมากมันก็ได้ประโยชน์มาก ถ้ า, าไปใช้กับสิ่งที่ขาดแคลนน้อยมันก็ได้ประโยชน์น้อยประโยชน์ก็คืออนิสงส์ต่างกับบุญบุญคือความรู้สึกของของผู้ให้ประโยชน์เป็นของผู้รับ อ, อนิสงส์เป็นของผู้รับผู้รับขาดแคลนอะไรเราให้สิ่งนั้นไปก็เป็นอนิสงส์มากเป็นประโยชน์มากสมัยพุทธกาลขาดแคลนผ้ามากพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกให้ถวายผ้าเพราะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้รับ คือสงแต่ผู้ให้ก็เหมือนมากน้อยอยู่บนที่ผู้ให้ได้มากน้อยอยู่ที่การเสียสละการบริจาคเสียสละมากก็ได้มากเสียสละน้อยก็ได้น้อยคำถามจากคุณฟ็อกซ์แมนเคยนั่งสมาธิภาวนาจนจิตรวมรู้สึกตัวเบา ใช่อาการของพระโสดาบันขั้นต้นหรือเปล่าครับออไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นอาการของสมาธิขั้นต้นพระโสดาบันนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วจะต้องผ่านเหตุการ์คือความทุกข์เช่นนั่งแล้วเกิดความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็ใช้ปัญญาแยกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ดูร่างกายเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรา เวทนาอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่เดือดร้อนเราไปทุกข์กับมันเองเพราะเราหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าเราสามารถแยกเราออกจากร่างกายได้เราก็จะอยู่เราก็จะดูความเจ็บของร่างกายได้ดูความตายของร่างกายได้โดยที่เราไม่รู้สึกกวนไหวเดือดร้อนแต่อย่างใดถ้าทำอย่างนั้นได้เนะี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นพระโสดาบันได คำถามจากคุณชรินทิพย์เราจะเมตตากับศัตรูคนที่คิดไม่ดีกับเรายังไงดีคะพอเจอหน้านึกถึงเขาเราก็จะเจ็บใจทุกครั้งเลยคะ่ะ อ, อ๋คอคั้นตอนก็หยุดความเจ็บใจก่อนนพอเจอหน้าเขาล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่าให้ไปคิดถึงอดีตที่เขาทำอะไรกับเรามาพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธทาใจให้นิ่งก่อน ถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็จะไม่มีความรู้สึกที่เลวร้ายที่เขาทำอะไรกับเรามาเราก็จะรู้สึกเฉยๆได้เหตนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาได้เราก็อย่างน้อยก็อย่าไปตอบโต้เขาอย่าไปทำอะไรเขาเพียงแต่พยายามควบคุมใจเราพุโทโธพุโทโธไปเวลาเราเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาก็ใช้พุโทโธพุโทโธใช้คาบริกรรม เพื่อให้เรานิ่งเฉยไม่ไปมีอะไรกับเขาแล้วพอเรานิ่งเฉยได้แล้วต่อไปเราก็จะให้อภัยกับเขาได้เพราะเราจะใช้เหตุผลว่าการให้อภัยมันดีกว่าการจองเวร น, นั่นเองจองเวรแล้วก็จะต้องมีเวรมีกรรมกันไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าให้อภัยแล้วเวรกรรมก็จะไม่เกิดตามมาต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันอย่างสันติสุขวันแล้วนะเออ การมีสติถึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะควบคุมใจเราต้องมีสติหยุดความคิดหยุดความอยากที่จะไปคิดร้ายทําร้ายผู้อื่นถ้าเรามีสติเราจะหยุดได้ถึงแม้ว่าเรายัางจะให้อภัยเขาไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไปก่อเวรก่อกรรมแล้วต่อไปเรา ถ้าเราใช้ปัญญามาพิจารณาก็เห็นว่าการให้อภัยนี้เป็นประโยชน์กับเราไม่ใช่เป็นการขาดทุนตรงทีเราจะคิดว่าขาดทุนเขาด่าเราแล้วต้องด่ากลับเราถึงจะได้ไม่ขาดทุนแต่เราไปด่ากลับเขาก็ยิ่งกลับมาด่าเราหนักขึ้นหรือเขากลับมาตีเราแทนที่จะขาดแทนที่จะกำไรกับขาดทุนมากขึ้นเจ็บตัวมากขึ้นไถ้าเราคิดว่าเป็นการทาบุญทาทาน เป็นการให้ความสุขกับเขาเป็นการแผ่เมตตาถ้าเขาด่าแล้วแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยเขาด่าไปแล้ว เ, เฉยๆไปเดี๋ยวปากเขาเมื่อยเขาก็หยุดเองแล้วคำดา่ามันก็แค่เป็นเสียงเท่านั้นเองมันไม่ได้ไปทำอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใดแล้ว เ, เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะให้อภัยเขาได้ไม่ตอบโต้ได้ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไว้ก่อน ให้รู้ว่าเฉยไว้ดีกว่าไปตอบโต้ตอบโต้แล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่โตพูดโธพูดโทพูดโ ท, ดโทไปหมดแล้วเหรอยังไม่มีเข้ามาเลยไม่มีคการฝึกจิตใหม่ๆมันก็ยากเราเพราะนิสัยเรามันชอบทำตามความอยากพออยากจะด่าใค ร, รถ้าไม่ได้ด่าแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหนอึดอัดมันจะตายให้ได้อยากจะทุบเขาอยากจะทำร้ายเข้าของอะไรนี้ ถ้าไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรอึดอัดอยู่ภายในใจคนอะไรเข้าใจผิดว่าถ้าได้ระบายด้วยการไปทำร้ายเขาไปทำร้ายเข้าของแล้วจะทำให้อ่ใจสบายใช่มันสบายแต่มันสบายเดี๋ยวเดียวแล้วมันกลับจะต้องมาทุกข์หนักขึ้นเพราะจะต้องมารับกรรมที่ไปทำร้ายเข้าของเงินทองของใบดาเขาเพราะเขาจะต้องกลับมาตอบโต้เราอีกยิ่งจะทาให้เราทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ วิธีที่จะระบายความอึดอัดก็คือพุโทโธพุธโทโธสติอย่าไปคิดถึงเขาหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็คิดว่ า, อ, าอยู่เฉยๆดีกว่ามีเรื่องมีแล้วกันแล้วมันไม่มันเจ็บด้วยกันทั้งคู่อาจจะต้องตายกันไปเลยก็มีเหตนเฉยๆไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองต้องใช้ปัญญาหรือใช้สติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจําใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติท่องพุโทโธพุธโทโธหเดินหนีไป ถ้าเจอหน้าเขาแล้วมันโกรธเกลียดขึ้นมาอยากจะไปทำร้ายเขาก็หลบไปก่อนดีกว่าห้ามห้ามตัวเราห้ามใจเราห้ามร่างกายเราอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวอดพูดไม่ได้ <Yeah. S 2> ถ้าจําเป็นจะต้องอยู่ก็ต้องพยายามควบคุมใจด้วยสติพุธโธพุธโธพุธโธไปอย่าไปมองเขาอย่าไปคิดถึงเขา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วใจเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดี เราก็จะสามารถที่จะรักษาความสงบของเราและของเขาได้ถ้าเขาสงบเขาก็จะไม่มาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราถ้าเราไปทำให้เขาไม่สงบเขาโกรธเกลียดขึ้นมาเขาก็จะมาสร้างความเสียหายให้กับเราอีกต่อคำถามจากคุณเวค่ะหากเรายังคิดถึงสัตว์เลี้ยงของเราตลอดเวลาถ้าหากเราตายไป จะเกิดเป็นมแมลงข้างๆสัตว์เลี้ยงของเราหรือเปล่าคะเราควรต้องคิดยังไงจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นคะเราต้องคิดว่าเขาไปแล้วเป็นการความสัมพันธ์ของเรากับเขาเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวมันต้องมีวันจบไม่ต้องมีวันจากกันจากกันก็ไปเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขาเราก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ เพนั้นเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราก็ได้เจอของที่ดีเหมือนเขาหรือดีกว่าเขาต่อไปสำหรับเขาเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเราก็ไปทางของเราต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราได้เจอเขาหรือรจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเขาก็ได้เราเราห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้วิถีชีวิตของจิตเราเวลาที่เราตายไปมันอยู่ภายใต้อานาจของบุญของบาปที่จะพาเราไป และสถานการณ์ต่างๆที่เราจะเข้าไปเกิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นบางทีสถานะสถานการณ์เหตุการณ์มันก็เป็นตัวพาให้เราไปเจอคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราบางทีก็ควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพของเราว่าเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถสั่งว่าเราจะต้องไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ได้เสมอไปแต่จะเจอคนไหนมันก็เหมือนกันแหละ ค, คำถามจากคุณปาริชัดการที่เราทำบุญตักบาทแต่เราไม่ได้คิดถึงบุญหรืออนิสงค์ของบุญที่ทำคิดแต่ว่าเพื่อทำโครงพระพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระรูปนั้นมีกำลังในการศึกษาธรรมของพระพุทธองค์คิดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะ ได้มันก็เป็นการง <c oughs> ารทำให้ความสุขแก่ผู้อื่นช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระภิกษุที่ต้องพึ่งพาอาศัยการสนับสนุนของผู้มีเงินมีทองอย่างศรัทธายาดอยู่ก็เป็นการทำบุญคำถามจากคุณพีโกค่ะใจยังไม่มีความเห็นเรื่องความอยากไม่มีความเห็นด้วยเรื่องความอยากที่พระอาจารย์สอน ต้องเพิ่มสติหรือทำอย่างไรครับก็ต้องคอยสังเกตเวลาเกิดความอยากแล้วเป็นอย่างไรลองวิเคราะห์ว่าอยากมีแฟนแล้วพอได้แฟนมาแล้วเป็นอย่างไรสุขอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเดอเดี๋ยวต้องมาปวดหัวกับแฟนมาต้องมาเสียใจกับแฟนเวลาแฟนทิ้งเราไปเวลาแฟนแอะไปมีใหม่ก็ดูตัวอย่างดูข่าวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีให้ดูอยู่ทุกวัน รักกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ตีกันแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วนั่นแหละความอยากพาให้เราไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากไม่ไปมีแฟนตามที่เราอยากมีเราก็อยู่คนเดียวเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องของแฟนไปหัดคิดดูใชไมันไม่คิดกันยไม่วิเคราะห์กันของนี้วิเคราะห์ไม่เป็นวิเคราะห์แต่วิจหาทำตามความอยากนี่วิเคราะห์เก่งจะทาไงถึงจะได้โอยวิเคราะห์เอา แต่ไม่คิดว่าได้มาแล้วจะเป็นยังไงไม่เคยวิเคราะห์ต่อคำถามจากคุณกิติยาค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ปฏิบัติอย่างไรคะในวาระสุดท้ายก็ปฏิบัติเหมือนตอนนี้แหละถ้าไม่ปฏิบัติตอนนี้ถึงวาระสุดท้ายก็ปฏิบัติไม่ได้ต้องหัดทำตั้งแต่ตอนนี้คือหัดทำใจปล่อยวางร่างกาย อย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เราก็จะาสามารถทําได้ถ้าเราไม่ฝึกถ้าถึงเวลานั้นเราก็จะทําไม่ได้เราเคยยึดเคยติดเราก็จะยึดจะติดเราเคยอยากเราก็จะอยากต่อไปแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดก็ดจากความอยากนี่ เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ถึงขั้นนั้นแล้วถ้าไม่ได้ซ้อมมาก่อนก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเป็นเหมือนมวยที่ต้องขึ้นเวทีแล้วอตอนที่มีเวลาซ้อมไม่ซ้อมพอถึงเวทีขึ้นเวทีแล้วจะไปซ้อมก็ถูกเขานอกก่อนนะฉะนั้นอย่ า, ยาประมาทตอนนี้ถ้ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บรีบซ้อมไว้ก่อนซ้อมแก่ซ้อมเจ็บซ้อมตายไว้ก่อนพอเวลาต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายจะได้ไม่สอบตก จะสอบผ่านคือจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคําถามจากคุณพิมพ์พรค่ะเชา้านี้หนูไปทําบุญพอคนกลับหดหนูเห็นมือถือวางอยู่หนูก็เลยคิดว่ามีคนคงลืมไว้ค่ะเอาไปให้เจ้าหนะ้าที่ที่วัดพอสักพักก็มีคนกลับมาหาเขาได้คืนไปเขาดีใจที่ได้ของคืนเรียนถามว่าหนูจะได้บุญไหมเจ้าคะ ได้ไงได้บุญจากการมีศีลไง ร, รักษาศีลไม่ขโมยของของของคนอื่นไปแล้วเราก็เกิดความสุขใจเวลาที่เราเห็นเขาดีใจที่เขาได้ของของเขากลับไปเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเพราะเรามีศีลเราไม่ลักขโมยถ้าเราไม่มีศีลเราแบบโอ้ยหวานปากแล้วได้มือถือมาใหม่รีบเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรใหม่เปลี่ยนซิมใหม่ ถอดซิมออกเขาจะโทรมาหาก็โทรไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีศีลและไม่มีศีลคนมีศีลแม้จะดีใจอยากการได้ของแต่ก็จะต้องมาทุกเ์ถ้าเขาจับได้ว่าอานี่เป็นของของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องถูกเขาลงโทษต่อไปได้ได้มาก็อาจจะไม่สบายใจดีใจเดียวเดียวแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดเจ้าของเขาจำมือถือเขาได้ อจจะไไปฟ้งตรวก็ดคำถามจากคุณแบงค์นัชชาค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์เรื่องการเจริญปัญญากับการทำสมาธิบริกรรมพุโทโธเวลาที่เรามีสมาธิเริ่มนิ่งแล้วเราเริ่มฝึกเจริญปัญญาพิจารณาสังขารแต่พุโทโธเริ่มหายไปจิตกลับคิดต่างๆตามไปอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางไหมเจ้าคะ ออไม่ถูกหรอกเวลาเราฝึกสมาธิเราไม่ฝึกปัญญาเวลาฝึกสมาธิจิตนิ่งสงบเราก็ต้องรักษาความนิ่งสงบไปนานๆไม่ใช่พอสงบปั๊บก็เริ่มพิจารณามันก็ไม่สงบเลยมันสงบแล้วต้องรักษาให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาจากสมาธิถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธิเรายังไม่ต้องไปทางปัญญาเรามาฝึกเข้าสมาธิบ่อยๆให้ชนานาญ ให้เข้าได้แล้วอยู่ได้นานๆก่อนไม่ใช่เข้าไปปับ๊บพอนิ่งปั๊บก็เริ่มพิจารณาอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องเข้าไปแล้วให้มันนิ่งนานๆจนกว่ามันจะหายออกจากสมาธิมาถ้าเรายังไม่ชํานาญก็ฝึกเข้าสมาธิใหม่ไปฝึกเข้าไปบ่อยๆให้มันชํานาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราสามารถเข้าได้แล้ว เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราค่อยมาฝึกทางปัญญาต่อไปอย่าฝึกในขณะที่เราอยู่ในสมาธิต้องออกจากสมาธิเวลาจิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรอย่าไปดึงมันมาคิดให้มันออกจากสมาธิพอมันมาเริ่มคิดถึงขนมคิดถึงแฟนก็ให้มันมาคิดทางปัญญาแทนว่าแฟนเป็นทุกข์นะขนมเป็นทุกข์นะอะไรทั้งในทั้งในโลกนี้เป็นทุกข์หมด เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจต้องคิดตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิคิดตอนที่มีความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องบอกว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้คำถามจากคุณพรกนกคะ่ะคุณแม่ คุณแม่โยมกลุ่มใจเรื่องน้องชายป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบท่านบอกว่าทุกวันนี้สวดมนต์ก็คิดแต่ว่าทำไมน้องชายถึงต้องเป็นแบบนี้โยมจะพูดอย่างไรดีให้ท่านไม่คิดมากคะก็บอกว่านี่แหละเป็นเรื่องของบุญกรรมของลูกอดีตเขาทำอย่างนี้มาเขาก็เลยได้รับผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่ได้จากความเจ็บไข้ได้ปวยก็เกิดจากการมาเกิดนั่นเองถ้าไม่มาเกิดแล้วก็จะไม่มีกรรมเหล่านี้ทุกคนเกิดแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ปวยกันดังนั้นเจ็บมากเจ็บน้อยก็อยู่ที่ว่าอดีต ท, ทำบาปมากทำบาปน้อยทำบาปมากก็เจ็บมากทำบาปน้อยก็เจ็บน้อ ย, อ ย, เ, อยเพราะฉะนั้นเขาเป็นอะไรมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเขาในอดีตเราไปเปลี่ยนไม่ได้ เราทำได้ก็เพียงแต่คอยดูแลรักษาเขาไปตามกำลังของเราตามความสามารถของหมอของยาไปเราหายก็หายไม่หายก็ตายหายวันนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นใหม่ในวันหน้าอยู่ดีก็ต้องตายอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปทุกข์ให้มันเสียเวลายอมรับความจริงดีกว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายัางรักษาได้ยังดูแลได้ก็ดูแลกันไปถ้ารักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป กลาวเมถามพระอาจารย์ชจคะหลังสวดมนต์เสร็จการที่เรานั่งสมาธินั่งนับลูกประคำหนึ่งร้อยแปดโดยบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้ช่วยให้ใจสงบได้หรือเปล่าเจะาค่ะเราทำแล้วมาถามเราทำไมล่นะํามแล้วก็ดูเดียวมันสงบหรือเปล่าถ้าไม่สงบก็ทําน้อยไปหรือทําแบบไม่มีสตินับไปก็คิดไปด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลต้องนับอย่างเดียวต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดูสิปฏิบัติแล้วคนปฏิบัติเองคนกินข้าวเองแล้วมาถามว่าอิ่มหรื Lean, seguir, เอเปล่าห้ยเราไม่ได้กินเราจะไปรู qu en qu en qu en ้ว่าอิ่มหรือเปล่าคนกินอ่ะต้องรู้ว่าอิ่มหรือเปล่าสงบหรือเปล่าไม่สงบก็ต้องคิดว่าทําไมทําถูกหรือเปล่ามีสติอยู่กับการนับหรือเปล่าถ้านับไปคิดไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้มันก็ไม่สงบต้องอยู่กับเรื่องนับอย่างเดียวรับรองมันก็จะสงบได้แต่ สงบมากสงบน้อยก็อยู่ทีออ่ถ้าเราใช้ความคิดกับการนับมากมันก็สงบน้อยถ้าอยากให้มันสงบมากกว่านี้เราอาจจะต้องหยุดนับก็ได้ อ, อ, อาจจะดูลมหายใจแทนจะได้ไม่ต้องคิดเพราะการนับก็ยังคิดอยู่ล้ว อ, อย่าไปจับลูกประคำเพราะจับมันก็ยังใช้งานยังจิตยังต้องทำงานอยู่เอาวางลูกประคำลงแล้วเอามือ น, นั่งในท่าสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจต่อจะดีกว่า อา น, นับประคำอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการห้ามทมใจให้สงบในระดับต้นก่อนพ อ, อสงบระดับต้นพอสามารถดูลมหายใจได้ไม่ฟุ้งซ่านก็ดูลมต่อไปคำถามจากคุณสุริตาอยู่ต่างแดนไม่มีวัดให้เข้าทำอย่างไรจะได้ปฏิบัติธรรมเจ้าคะะ อ, อ๋อวัดเดี๋ยวนี้มีทุกแห่งทุกคน เดี๋ยวนี้เราเข้าอินเทอร์เน็ตได้อยากจะเข้าวัดไหนอยากจะฟังเทศของคูบาจานองไหนนี่ฟังได้ทันทีส่วนวัดที่แท้จริงก็คือที่ที่สงบที่วิเวกถ้าบ้านเราเราอยู่คนเดียวอันนั้นก็เป็นวัดได้คือเราต้องการสถานที่ที่สงบต้องการคําสอนเราก็มีอินเทอร์เน็ตเข้าไปได้เห็นวัดนี้สามารถเราแปลงว่านบ้านของเราให้เป็นวัดได้ ถ้าเราจัดห้องสักห้องหนึ่งวันนี่ห้องนี้เป็นวัดนะห้ามใครเขามายุ่งด้วยเราก็เข้าวัดไปเข้าห้องไปแล้วเราก็เปิดอยากจะฟังเทศเราก็เปิด u ู u ูบเนี่ยตอนนี้ถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ต้องมาถึงที่นี่เดี๋ยวนี้วัดไปถึงที่บ้านเราแล้วจัดที่บ้านเราให้มันสงบไม่ให้มีอะไรมารบกวนเราก็เป็นวัดขึ้นมาแล้วคำถามจากคุณชนะชนะที่พระอาจารย์กล่าว เรื่องเจริญปัญญาพระอาจารย์หมายถึงว่าการเจริญปัญญาเราจะทำเมื่อมีเหตุกระตุ้นทางรูปรสกลิ่นเสียงหรือความอยากแต่ตอนที่เราสงบก็ไม่ต้องเจริญปัญญาใช่ไหมคะคือตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ให้เจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาบารมิคิดถึงแม้ไม่มีอะไรกระตุ้นก็ให้ทำการบ้านไว้ก่อนคิดไว้ล่วงหน้าก่อน คิดว่าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรเกิดมีอะไรมากระตุ้นให้เราอยากเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่มาก็สิ่งที่เราอยากมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันนี้ทำซ้อมไว้ก่อนการเจริญปัญญานี่ทำได้สองขณะที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็ใช้ปัญญาแก้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้แฟนก็พิจารณาว่าแฟนเป็นทุกข์ก็จะหยุดได้ เวลาที่ยังไม่มีความอยากมีแฟนก็คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเผื่อเราอยากจะมีแฟนเราก็คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้ามีแฟนแล้วจะทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นการทําการบ้านทําการซ้อมไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดเราไปอยากมีแฟนขึ้นมาเราจะได้เห็นว่ามีแล้วทุกข์เราก็จะได้ไม่มีได้แต่อย่าอย่าไปทําในตอนที่เรานั่งสมาธิเท่า น, นั้นแหะเวลานั่งสมาธิจิตสงบนิ่งเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันให้มันนิ่งไปนานๆ แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วมาทำงานมาเดินมานั่งมาทำอะไรแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเลยหรือถ้าไม่มีความอยากก็คิดได้เห็นอะไรก็คิดว่ามันเป็นทุกข์นะเห็นรถยนต์ก็เป็นทุกข์เห็นเงินทองก็เป็นทุกข์เห็นอะไรก็เป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดน่ะถึงที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเราไม่คิดกันเองคิดเซ่คิดบ่อย เพื่อต่อไปเวลาเกิดความอยากจะได้หยุดมันได้เอาคำถามสุดท้ายนะคําถามจากคุณจกรวัตค่ะผมมาร่วมงานบุญอยู่ที่วัดของหลวงปุรีวัดถ้าผาแดงเห็นญาติโยมตั้งโรงทานอยากทราบว่าอานิสง์ของการตั้งโรงทานนั้นมีอานิสง์อย่างไรครับก็คนได้กินข้าวไงอานิสง์ก็คือประโยชน์คนให้ก็ได้บุญได้อิ่มได้อาหารใจได้ความสุขใจอิ่มใจ คนให้ได้อาหารใจคนรับได้อาหารกายนี่คือประโยชน์ของการเปิดโรงทานเพราะเวลาคนไปงานมันไม่มีร้านอาหารที่จะไปซื้อข้าวซื้อของกินได้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายกันก็เลยต้องอาศาัยการตั้งโรงทานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขับรถออกไปจากที่งานเพื่อไปหาอะไรมากินอันนี้เป็นการสนับสนนผู้ที่มาร่วมบุญให้มี อาหารรับประทานมีน้ำดื่มจะได้ไม่เดือดร้อนมีการทำห้องน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญของร่างกายที่จะต้องมีคนทำคนเสียสละเงินทองสร้างก็ได้บุญได้อาหารใจคนใช้บริการก็ได้อาหารกายนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการไปตั้งโรงทานเอาละนะวันนี้เวลาก็หมดพอดี ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ